ต่อไปชีวิตของคนเราหากปราศ จ, จากหลักธรรมะเป็นเครื่องดำเนินเสียแล้วจะไม่มีความสุขถึงแม่ชีวิตจะยืนยาวนานก็ได้ชื่อว่าหาคุณค่าไม่ได้หากคนใดรู้จักดำเนินชีวิต ในหลักธรรมคำสอนเมื่อเจ้าพึงเครื่องดำเนินจะมีอายุแม่สักวันเดียวกระตามเจแล้วตายไปก็ได้่อวาเป็นชีวิตเป็นของมีค่าชีวิตของคนเราหรือสักทั้งหลายเหมอกันเกิดขึ้นมาและตอนนี้จะต้องดับเป็นธรรมดา แล้วเกิดมาทุกคนนะจะคิดว่ามาคอยตายมาท่าคอยตายการเะว่าจะท่าเร็วคนที่พากันหมัวเมาในชีวิตของตนเขาจว่าตนจะมีอายุยืนนานต่อไปไม่คิดนึกถึงเรื่องชีวิตที่ล่วงไปวันหนึ่งวันหมดอิ่มสูญไปตั้งแต่วินาทีนาทีชั่วโมงวัน เเดือนปถ้าหากเรามาคิดได้ลึกได้ทั้งเรื่องความเสื่อมสูญสิ้นไปแห่งชีวิตอุปการอย่างนี้แล้วมาคิดถึงคุณค่าที่เราล่วงเลยไปนน่นะมีชีวิตเราเลยมีอะไรขึ้นมาบ้างคุณคางนชีวิตมีอะไรบ้างหากว่ามีหลักธรรมคาสอนที่เจ้าเป็นเครื่อง น, นำหนึ่ ก็ได้ชื่อว่าเปล่าเจจากประโยชน์นอกจากเปล่าเจจากประโยชน์แล้วยังเป็นเครื่องจีบหวงโลกหรือมาทําโลกอันนี้ให้เสื่อมสูญสิ้นไปที่ว่าเสื่อมสูญสิ้นไปเพราอะไรทุกคนเกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาเปล่าจะต้องมาแย่งกันกินจะต้องมาชิงกันกิน ในโลกอันนี้คุญวีบุญบวายอาหารการบริโภคสิ่งทุกส่วนสิ้นเปลืองหมดสูงสิ้นไปโดยลำดับลองคิดคิดดูของแต่เมื่อสมัยคนยังไม่มากของอยู่ในพื้นแผ่นดินในเมืองไทยในป่าในดงในบ้านในช่องสถานที่ใดๆทั้งหมด ธรรมชาติมีอยู่สมบูรณ์บริบูรณทุกวันนี้เสื่อมสูญสิ้นไปหมดเพราะคนมาแย่งกันกินเมื่อสูญซิ้นไปหมดแล้วจะต้องพากันผลิตขึ้นมาแทนถึงขนานั่นก็หมายถึง ก, การแย่งกันกินและไมการบริโภคของคนเราเนื่อหมดเสื่อมสูญสิมไปอย่างนี้ป่าดงพงไผ จะเปียนโลกกันไปหมดต้นไม้ก็ตัดรียบราบกันไปหมด น, นานๆนะเขาจะเป็นอย่างเมืองอินเดียหาไม่ปลูกบ้านอะไรนี้ต้องเอา ด, ดินมาใส่ย่อมเอาดินเหนียวมาใส่หย่ามแล้วก็ตีมันก็หมาะทาเป็นบ้านไฟเขามันกระหมาะดินธรรมไดาเพื่อทําเป็นที่อยู่อาศัยเพราะหาไม้ไม่ได้ เนี่ยคำที่ว่ามันสิ้นเปลืงไปถ้าหากเกิดขึ้นมามีธรรมะเป็นเสรน่ดำเนินชีวิตอย่างน้อยที่สุดก็คือมีความละอายของมชั่วกลัวบาปตังความชั่วรู้สึกละอายภายในใจของสนทุกคนไม่กล้าทำาวมชั่วนัะกลัวความชั่วน่าจะเข้ามาถึงตัวของเรา ขนาดนี้ก็ดีอะโหแม่อะไรมากมายแหยลแต่ควรชั่วในคนเรา ม, มักเข่าตัวสิ่งใดที่ตนชอบและเถือเป็นของดีสิ่งใดที่ตนไม่ชอบและจริงแลเป็นของชั่วรักทำคำสอนไว้เจ้าดีและชั่วมีของดีสิ่งใดเมื่อทําลงไป โพูดก็ดีคิดก็ดีถ้าเป็นไปเพื่อ่เบียดเบียนตนและคนอื่นกระทบกระเทือนทังตนและคนอื่นนั้นเนี่ว่าชั่วชั่วเกิดตำปาในปราถนาทั้งตนและคนอื่นนั่นนี่ว่าชั่วนั่นคือเสื่องวัดจริงใดถ้าทำลงไปโพูดจะคิดไม่ลงไป เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นอันนั้นเป็นความครทำ น, นั่นเป็นของดีนี่หลักธรรมเขาสองข้ออย่างอย่าไปเข้าตัวเองพวกจิกขโมยพวกฮาลักก็โกงของเขาหวังประโยชน์ส่วนตัวเห็นั่นเป็นของดบของดีมดันนั้นไม่ถูก มันเป็นเรื่องเบีเบียนคนอื่นการเบี่ยดเป็นคนอื่นอยากเข้าใจว่าคนอื่นเอยากรับโทษตายเดียวแต่ได้จริงตัวของเราเนี่ยจะรับโทษทุกคนคนคิดอจะขโมยของเขาช่วงของเราไม่สบายแล้วะชวงเราเดือดร้อนกุ้งใจเลยอะคือมีความอยากได้ของ ค, คนนอกจากการอยากได้มั น, น, นมออก็ห น, นึ่งร่วมอกกุ้งใจตนได้ ตนเองแล้วยังกรัวความผิดกัวความสหนินฐานของคนอื่นอีกลัวเจ้าหน้าที่อีกละเนียเบียเดเบียนตนให้ก่อนแล้วยังใครละเบียเดเบียนคนอื่นกรรมคือการกระทำความชัว่วมันเกิดผิดใจถ้าเรารู้จัก กรมที่ทําคงชั่วเกิดสุกใจด้วยสกสารอย่างนี้แล้วเรียกว่ารวมละอายเกิดขึ้นความกลัวเกิดขึ้นกลัวควมชั่วละอายคมชั่วเกิดเป็นทุใจทุกๆคนพางกันเข้าใจที่เกิดบ่เกิดทวามคงชั่วด้วยสกสารอย่างนี้แล้วก็จะระวังสังวร ในกลุ่มชุมชนในกระตามประเทศชาติบ้านเันองใดก็ตาม mm hmm. ก็จะพากันดีดึงเป็นไม่มากละ่ะนักตั้งแต่อยู่ด้วกันสองคนขึ้นไป mm hmm. อาตุสึกความชั่วกลัวความผิดที่ประคองไม่ดีนะเป็นสิ่งที่นำมาที่โภคคือความเดือดร้อนจะปั่นไแน่จะละให้ยาวละได้ดี ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วเพื่อเป็นของดีไมนเป็นเรื่องข้าตูวจะเบียดเบียนคนอื่นโดยที่ตนม่รู้ตัวเบียดเบียนตนก่อนเมื่อเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นเรื่องเดือดร้อนพัวและแห้งหนอยลบหลงว่าเราคนเดียวเป็นภัยแก่สังคมเป็นภัยแก่โลกคนหนึ่งล่ะถ้าอีกคนอีกสองสามคน เป็นเช่นนั้นเดียวกันแล้วก็น ห, กนหนึ่งร้อนกันใหญ่มังทั้งโลกคนเราพากันเรียกนักเรียกหมาเรียกกันสันติเรียกหมาสันติตัวเองยังไม่ท้องเสือสันติแล้วมันมีสันติเสื่อที่ตัวของเราแล้วสันติมันจะมาจากไหนนี่เลยวิธีดําเนินชีวิตของคนเราถ่าขาดาา จ, จะจากหลักธรรมะ เจ้าแมนั้นต้องเนรจิตเป็นไปเดือคนเดือดร้อนทั้งตนและคนดีเรียกนาเรียงหนาเรียกสินธรรมหากันพูดกันนักหนาว่าความเสื่อมโทรมของสินธรรมความจริงไม่ใช่สินธรรมเสื่อมคนเราต่างหากเสือ่อมสินธรรมไม่ได้เสื่อมศูนไปไหน ขั้วศึกบาปกรรมอันนั้นก็เป็นธรรมหนึ่งทางอธิบายฟังมาแล้วความชั่วก็เป็นธรรมความดีก็เป็นธรรมควากลางก็เป็นธรรมความชั่วนั้นแ่ะทำเมื่อใดได้เหมือนั้นดีทําเมื่อใดได้เหมือนนั้นขวามกลางทำเมื่อใดแสดงเหมือ น, นั้นไม่ได้เสื่อมสูญไปไห น, น คนเราไปทำดีเข้าความดีนั่นก็เข้ามาซึมซาบอยู่ในกายใจของเราต้นก็เลยเป็นคนดีไปตามความชั่วนั่นไม่ได้เรียกเราไปทำแต่เราไปเอาความชั่วมาใส่ตัวของเราเหมือนก็แล้าของสกปรกมาทาตัวของเราโดยที่ของสกปรกและของเหมนนันไม่ได้เรียกรองเราเลยแต่เราชอบ เอามาทาตัวของเราเอามาเปืเป้อนตัวของเราตัว น, น, ตนั้นก็พอเห็นไตกต่างนี่เลยจึงว่าไม่เสื่อมสูนได้ไหนหรอกทำคือดีในทั่วหรือของกลางคนเราต้องหาไปทําให้เสื่อมสูญจากคุณธรรมเสื่อมสูนจากความเป็น ค น, นขอตนผขดแต่เอาทามันเร็วตามที่ท่านปรัสเรียกว่าสัตว์สริฉานมนุษย์เปรมนุษย์อสุากายทางทางเร็วตามคือความชั่วทางดีน่ยถ้าจะแดงถึงเรื่องมนุษย์ ธรรมชาเรื่องมนุษย์บัณฑิตเรื่องมนุษย์เทวชามนุษย์บัณฑิตแต่ทางดีท่านบอกว่างั้นถ้าเราเอาของดีมาใส่มันจะเป็นคนดีขึ้นมาเพราะเอาของชั่วในสนชั่วเราใส่มันจะกลายชั่วไปนี่แหละหลักธรรม คำสอนของพระเดชจักไม่ได้หลาสมัยนำสมัยอยู่ตลอดกาลคนตามไม่ทันคนไม่หลาสมัยสมัยนี้ยมของคนเรานิ่ยอมไปอีกทางไม่ได้ยมตามพอ่อท็่จริงธรรมะเป็นของจริงนี่โอเคนี่นี่ยอมมาแล้วตกก้อนเร็ยกกราเก่าตึงเรียกว่าธรรมะคือของจริงของดี ดีนี่ยใครก็ชอบทุกคนชั่วใครก็เสียทุกคนอิธรรมชาติของโลกมันเป็นมาอย่างนั้ น, hmm. นเรียกว่าทําทค้ำคู่โลกแต่คนเราแหวกแนว hmm. คือไม่ชอบไม่พอดีไม่นิยมในของดีเป็นนิยมว่าของเลวทํา <c oughs> ที่ดีมีประโยชน์ทั้งแก่คนและคนดนใครๆก็ชอบ ทำที่เล็วเปลี่ยนเรียนถ้าตนไม่เสนอใช่ก็ไม่พอไปด้วยอํานาจความชั่วไอนอานาจกิเลสที่ความชั่วมันติดตัวมาต้องนมนานหลายภพหลายชาตินิสัยนั้นก็เล ด, ดึงดูดชักจูงให้มา ส, ส, สวมมาในตัวของตนเลยกลายเป็นคนเดียไปถ้าใครมารู่ตัวรู่สึก ตนได้อย่างนั้นในสมัยนี้เรียกว่าคนนั้นหูลืนหูลืนตาก็ตื่นจากหลับสมัยนี้ถ้าหากว่าใครไม่ตื่นดังรับอย่างปะนิจเลยไม่รู้สึกเลยจมดิ่งเลยทีเดียวเหระนั้นจาางพาตนสนใจจาางพาารศึกษาถึงเรื่องหลักธรรมทีความละอายบาป กือวบาปคือกลชั่วสองประการอย่างบางเมื่อกลัวบาปดังอายตบบาปจะพูดองใดจะทำสิ่งใดจะนึกคิดอดันใดคอยเล่าวันสังวรรู้ตัวทยึดหลอดการจะไม่สามารถทำาคนชั่วเรียวสามใ น, นลงไปได้ถึงหากเราจะไม่ดี ขึ้นไปนเรียกว่าเราไม่รีบไม่เรียวเป็นยังดีกว่าที่จะเรียวลงไปในชีวิตอันี้ถึงว่าเราเกิดมาส 5, 10, 6, 10ักค่าสิบหกสิบปีหากเราได้ทําคนชั่วได้ช่วไห่ขาดทุนยังพอสมควยอยู่ได้ถ้าหากเราทําดีั้งนี้จ ะ, จะได้กำไรมีความดีขึ้นโดยดังด อย่างเราไม่เคยที่จะรักษาสิ่ไม่เคยงดเว้นจากความชั่วไม่ตั้งใจเห็นโมดเว้นจากควมชั่วแม้แต่ข้อเดียวก็นีหากจิตหากองถ้าหากเรรู้จิตชั่วงดเว้นแค่ได้ข้อนึงเอาละชีวิตนี้ได้ข้อนึงงดเว้นความชัวนั่นได้ชั่วได้กําไรนะผรับในชีวิตอันนี้ถ้าได้สองสามข้อและสี 4, 5, ่ห้ข้อครบและเจ็ดแปดขอ้อยิ่งดีนั่นแหละคือกำไรของจีต นางที่ว่าให้ฟังมาแล้วบางตนถ้ามีของดีเหล่า น, นี้เป็นเครื่องอยู่ดังเนินชีวิตมันจะมีคุณค่าไหชีวิตอันนี้นอกจากไม่มีคุณค่าแตเป็นเครื่องเดือดร้อนทําให้โลกนี้เดือดร้อนมวลบาปทุกสัตว์มีกิ่งว่าชาติมือให้ได้พดเว้นที่จะคงชั่วสักคอหนึ่ง คนดีกว่าที่เราจะทํำความ่วเร็วตามลงไปถ้าหากว่าชีวิตอันนี้ล่ะเรามาทำความเร็วตามลงไปสักข้อหนึ่งยึดสองข้อต่อต้องคิดดูนะครับความ่วดเร็วตามนั้นเมื่อไรจะแก้ไข ไ, ได้ทันตลอดชาติแก้ไม่ได้เลยตายแล้วเกิดไม่อีกชาติหลังเมือม่อวันเกิดอีกนะ ไม่สาราว่าความชั่วนั่นจะพาเราไปตกอยู่ในคูมิไหนก็นไม ร, ไรู้แม้แต่ในชาติถ้าตกในโการวิจัยแล้วเป็นเศษเสี้ยนสกายย์แม้ไต่คนชาแล้วเมื่อไรจะได้มพบพุทธศาสาราสนาแล้วเมื่อไรใครยังมีโอกาสสังขารโรกอีกหากแล้วได้ทาความดีอย่างว่านราเกิดมาในชาตินี่มีความรู้สึกนึ ก, นกคิดถึงควมชั่วเ็วทรา หรือแนั่นจะมีครูบาอาจารย์แนะนำผูเขาบุรุษมีดิดามันดาเป็นต้นในเน้นำอบรมให้เราเข้าใจอันนี้เรียกว่าโชคลาภมันยิงย่งใหญ่ในเรื่องเรารู้ทุกทางเมื่อเราเข้าใจและเรื่องใส่ศรัทธาตั้งนาต่างๆปฏิบัติต่งตงางก็ได้ช่วยเป็นคุณประโยชน์จริงใหญ่ โชคลาภปัญหาที่ไหนได้เพราะฉะนั้นพึงยินดีแล้วพอใ จ, จกับโชคลาตัองจะให้ขาดทุนทุกๆคนกวิตร่วมเลยมาเป็นขนาดนี้แล้จงให้พากันสงวนชี่ ต, ตังตนไว้ย้ายต่างเดียวกันให้พ่อคูณเพิ่มคุณงามความดีทวีขึ้นเองนะ มีเครื่องวาดเคื่งหมายหรอกชีวิตสางคนเราไม่ได้แค่ตายวูกแต่เดียวดาวสายงับแบบไปไหนกี่สพวกเดียวขนั้น่ะหายีับเลยไม่ได้เรียกร้องอะไรประกาศให้ใครทราบหรอกอย่างที่เขาเป็นๆมันคือพไะเจ้อเหตุรถคว่ำตายตรนึงจมน้ำตายรงนีงตกเครื่องบินตายน อะไรแต่อะไรต่างอ๋อทำไมไดอสา บ, บน้ำละ่ะที่ศักไม่ได้สาบน้ำอาจารย์ศา ส, ส, สนาสอนที่ใจสอนให้เห็นความดีความชั่วปรากฏที่แกงตนทุกคนให้ละด้วยตนเองแต่ละคนละคนพ า, นาคนละด้วยตนเอง อย่าไปใคนอื่นมาทำและคนอื่นบอกมให้ละประเทศสนาทั้งเรื่องการสอนคนพระพุทธเจ้าม่ได้เป็นทาสของชาโลกอย่างพระเจ้าอย่างพระเป็นเจ้าพระพุทธเจ้าตามสอนตามล้างบาปให้ทําจิตทําไม่ดีมนงานตามล้างบาปให้ตามประทับเปิดคอง อันนั้นเรียกว่าพระเจ้าเป็นทาาของชาวโลกส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นในพระพุทธเจ้าพระบุตรโคดโบรมคูสอนเราสอนให้ทุกคนมีอิสระเสรีในการที่จะปฏิบัติและไม่ได้บังคับให้มาปฏิบัติเพื่บังคับไม้เลื่อมใสปัตถาในศาสนาของพระองค์เพื่อ แต่สอนให้เห็นความผิดควาถูกสอนให้เห็นดีเห็นชั่วด้วยใจทั้งประแล้วปฏิบัติละชั่วทำดีด้วยตัวจึงได้เชืวว่อไม่เป็นท่าของกิลีเงื้อกิลิคนปฏิบัติเป็นท่าของกิริปฏิบัติเพื่อให้คนอื่นชมเอนยกนกนองสม โยนเหยาะเสนอเสกหรือเพื่อเอาหน้าเอาแต่ระการต่างๆแต่นั้นเป็นทาต่อสิให้คิดดูนี้ของ้ก็ปล่อะไรวมานติดอยู่ในมือของเรามันเล่นช่ยเม้นหื่นทีเดียวล่ะใครเห็นนิดหน่อยคนเชื่เอาไว้ั่นหรือเปล่าลองคิดดูดิ ใครจะไหวกั น, นมี้หทุกคนตก็รีบหาน้ําล้างนี่อันนี้เป็นธาตุไม่ใช่เป็นธาตุล่างหรือความเกลียดร้างด้วยความเบื่อหน่ายด้วยความหม็นไม่ใช่เป็นธาตุทาหาว่าเราเข้าใจความชั่วเป็นเหตุใด ม้หมอนเราทำศีลใหเราไม่สบายเรื่อเดือด ร, ร้อนในประการใดประจันเราไม่อยากให้มันติดอยู่ติดใจเราเรีบล่างมันตัวเองเรียกว่าปฏิบัติด้วยศีล ท, ที่ใช้ได้จะได้ยอมก็นหยดบอกก่อนไม่มีรอถ้าหากว่าของที่เขโปกแค่นั้นก็เลยหยุดบอกให้ล่างกิ่จะล่างมันก็เป็นคนที่กา ร, รเป็นคนที่คนเฉลี่ยที่สเ พระเจ์าอมรัรเทศหนาวอคาตาโรเจตถาภาษาปฏิปนาประโมคขันจากนแสดงว่าพระพุทธเจ้งเป็นผู้ตักเตือนสั่งสอนแนะนำเท่านั้นปฏิปนาประโมคขันจากท่านทั้งหลายที่ได้ฟังได้ยนิยนได้ฟังแล้ว ท่านปฏิบัติตามเป็นผู้ค้นเจ๊าเครื่องพันธนาการที่อเรื่องผูกพ้องมาหนือคนผูกมัดได้กิเลสมาผูกมัดจิตใจให้เศร้าหมองเอกลือร้อนว่นวายพระพุทธเจ้าสอนวิธีแก้คนเราจะแก้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของเรา มีพจะเยจียมาเดินสอนน่าจะเป็นธาตุสอนเป็นอิสระแล้วก็ปฏิบัติเป็นอิสระมีหลักคําสองพระเจ้าเป็นอย่างถ้าทุกคนเข้าใจในหลักคําสองพระเจ้าตัวไหนได้นี่ยช่วงเราก็สว่างหมู่คณะก็สว่างประเทศชาติด้านเงินก็สว่างคิดช่วงเราสว่างไห้ก่อน แต่ละคนละคนพากันสว่างเห็นเจ้าโดยการลาะชั่วทำดนสวาน่างพอเห็นความชั่วเป็นของชั่วไม่มีเข้าใจผิดคิดว่าของสดของดีเรียกวสวา่างเกิดขึ้นแล้วพากันชำระของไม่ดีซะกบลบให้สะอาดคิดใจของตนแต่ละคนละคนอย่างคนในบ้านของเราเนสองคนอะ หากเข้าใจอย่างนี้จะชำระอย่างนี้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ชำระเราเรียกวได้หมดครึ้นหนึ่งทางทต้ง ส, ง, สงสองคนนั้นชำระโดยละทั้งสองก็ได้ทั้งหมดมู่ว่าลุประเทศชาติตา่างโดยธรรมดอนนั่นแหละจึงเรียกว่าช่วยการพัฒนาประเทศชาติบานเงินอยู่คู่คน ให้เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ไปพูดจะพากันบ่นหรือเฉยบ้านเมืองเสื่อมเสียจากทิ้งทามบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายสังคมเสื่อมอะไรต่ออะไรพูดฝ้าวพ้กันอยู่นั้ตนเองไม่ยอมละควนส่วนั้นตนเองไม่แก้ไขตนเอง ข้างบนกนพูดกันอยู่ตลอดเลยละเมื่อไม่พากันชำนาญและฮัดกล่าวตวขงตนเลยละมักจะดีไปมีการที่เราไม่ได้ชำน้านี่แหละเดือดร้อนตนนึอยู่แล้วคนอื่นก็เพราะเดือดร้อนแต่ตาคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาเพราะทําให้เราเดือดร้อนแต่ตายากที่บางในตน คนเราคนเดียวทําชั่วทําให้เราเดือดร้อนเลยต่อไปทําคนอื่อ น, น, นเดือ ด, ร, ร, ดร้อนอกีกเลยนั่นตัวของเราก็เดียวอีกเขาอื่นนะพันเมื่อถ้าทำชั่วของเราเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของเราเหมือนกันมี<บ>เป็นหนึ่งนี้คนไม่เข้าใจอยากจะให้คนอื่นละคนทั่วจะตัวเองละคนทั่วเมื่อไม่ละคนทั่ว ต้องการล้อคนวเองคนดีนี่หลักปฏิบัติจริยธรรมให้เอาละตนให้คนตนเองเป็นตนเองทําดีไป็นคนแต่ละคนถ้าทําดีแต่ละคนแต่ละคนะมันก็พอดีไปเลยกันลองคิดดูแล้วอยู่หรือว่าเป็นคหากเราทำดีแค่ อ, อย่างเดียว คนอื่นแล้วไม่ดีกับวายใช่ป่ะคนไม่ได้เราเชื่อเลยถ้าเราดีแล้วคนอื่นจะต้องคอยดีไปตามเราดี ไ, มไหมนเนี่ยท่าเด็กๆทางพุธิบัณฑิตาพุทธศาสนาอัสราะเดชตังเฉียดพระพุทธเจ้าประเทศสนาวะ ช, ชนะตนแหละคนเดียว ดีกว่าชนะขาดสุดตั้งเป็นพันๆเพราะการที่จะมีค่าดสุดมากหวายก็เพราะเราเนี่ยเอาละถึงขาดสุดะเบียดเบียนวิจารได้สุดยาแล้วด้วยการได้ตามไปถ้าเราชนะตัวของเราเสียที่ชนาชิริตของเราเป็นอย่างเดียวหากเราจะแตกจะดับหรือหาเราจะตายในอย่างคนจะภัยเทียนตลายเท่าไหแล้วนั้น ถ้าหากว่าเราชนะตนเองไว้ได้จะเป็นเวนเป็นใครต่อไปโลกอนี้มีที่ไหนบ้างเวนและงับเวนไม่มีตั้งก็เวนมันอยู่ตลอดเวลา เ, เวนหรือเวียนนั่นแหละเดียวกันเนี่ยเขาทานช่วเราเราทําช่วยเขาทานช่วยเราแล้วเราก็ต้องเรียนทาช่วยเขาอีก เราทำชั่วเขาก็ต้องเวีนมาทาชั่วเอะไร่ใช่ไม่หวนเวีนถ้าหากเราล่ะความชั่วดแล้วคนอื่นไม่ล่ะของเราก็หมดไปซะสั้นแต่หากว่าถ้าหากเราละแล้วคนอื่นยังไงก็ต้องถอยละตามแบบเมื่อเราไปทำชั่วอยู่นะับบ้านกับเรือนบ้านแตกแสดงว่า อบครัอยู่ด้ยวยกันเพราะรู้วแน่แต่ไม่ผิดหลักทําอันนี้ทั้งๆคือไม่ยอมละความเชื่ตัวนี้อยแกจะให้คนอื่นละท้าเดี่อและไม่เมื่อเขาล่ะแล้วบางทีตนเองก็เลยไม่ละเหมือนกันลกครเชืวช่วอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วอย่าให้เข้าตัวเองทําอะไรถ้าจนชอบใจว่าเข้าใจว่าถูกถไม่ถูก รักพุทธตานาสอนว่าท่าชั่วมันต้องเป็นไปก็คาเบียดเบีย น, ยนตนกระทบตนและทางคนอื่นด้วยทาดีแล้วทำให้ตนสบายใหคนอื่นสบายจะพูดจะทำและจะคิดจะไม่งชรกระทำไม่กระทบตนและเบียดเบียนตนทังเบียดเบียนตนและที่คนอื่นิน่นจาไว้อย่าลืมมืหลังทำสองคนเแล้วชอบใจเข้าใจว่าตนผูกนันยัางาเป็นผุกกนทง เอาละอาทิตย์ป่าจะมละวันนี้นัพกพรุ่งนจะต้องซัมกันแล้วมันมีอะไรให้ท่านี้เราของไหายนติพระละสังฆมรโสทินาติกันหาขยลดุขังนาติถ้าพูดถึงเรื่องของชนะของดีให้ทานทุกสิ่งทุกประการสู้ให้จอมทานในได้ถ้าหาดว่าไม่ได้รับ ทำทำสอนพระเจ้าแ ล, แล้วคนเราจะเกิดสถาเรื่องสายธรรมทานได้ง่ายทังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไดรยินใน้ฟังคือธรรมทานเกิดจากความจะยินได้ฟังเชือทำทำอ่อมัน่นเกิดภาษาเจ้สถาเราทำทาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าให้ทําให้ธรรมทานติดของชนะเลยิยชนะทาทนได้หมด สัพพะนาสัมปทานนาสินาติสัพพะรัสสังธรรมาะโสตินาติรสอะไรจะเสมอได้นรสก็จะทไม่มีอันนี้ลึกลึกซึ้งหน่อยรสก็จะทำนั่นแหลคนที่จะได้รับคนเรามัติดจะรสอาหารรสมีหลายอย่างอาหารมันคนมันมีหลายอย่าง ก็ว่าลิงกราอาหารที่อาหารแน่ใจเข่าที่เราเราไาทานอันนี้ใครๆก็แช่คนทุกคนอรร่อยๆภาพอันนี้พัดสร้างหารคือการสังคัดถูกต้องเช่นดินป้าอากาศอากาศเย็นร้อนนอมแข็งท่าอาหารก็พอดีพองามอากาศเชยพอดีเย็นสบายสบายครับกิตใจประดับโปร่งความใสพัดสาง มิวิธนั้นตาเห็นลูกที่ชอบอกชอบใจขึ้นอกติใจเกี่ยวกับตาหารหูได้ยินเสียงชอบอกชอบใ จ, ออกใจเกี่ยวกับตาหารแก้มถูกทีนี้ยงลดกายถู ก, กสกัมผัสใจคิดนึกแง่ลบที่ชอบ อ, อกชอบใจบเกี่ยวกับพัดาหามโนสัจเจตนาหาร คือความจงใจคิดนึกจงใจในสิ่งที่ตนต้องการภรษาศานาพุกตามความต้องการปัจจานาตเปรียบว่า อ, อาหารเหมืกันที่พุทธเจ้าเทศนาว่าสัพพะสังธรรมะโสกินาติรสจะทาํทโโารสต่างพวกหมดนิโมจันเจตมหากคือรสเกิดทิฐใจแนวได้รับ ฟังธรรมคำสองพระเจ้าทีาา่ทราบซึ่งก็ถึงจิตถึงใจเปิดบานหันษาแม้จะหันก็ม่อยากรับทางความง่วงเหงาห่อนอนก็หายไปหมดความชึงเสื่อมานี่ความง่วงเหงาก็าไหนยิงโอ้ยยิงใจตลอดกาลที่ท่านเทศนาที่ายนั่นนึ่ว่าปีติพัาอัสรา ผู้ที่เจริญฌานสมาธิสมาบัติเข้าถึงฌานแล้วนั้นความอิ่มใจเป็นอาหารเป็นเครื่องอยู่สามวันเจ็ดวันไม่รับทานอาหาร่อสบายเบิกหานปลอมใส่คิดใจเบิดหวานแล้วกายเริ่มหิวเรียกอันนี้เรียกว่ารดของพระ ธ, ธรรม มันทราบซึ่งดึงดูดจิตใจให้มั่นแน่วแน่ในรุนาความดีมั่นอยู่ในความดีนะั่นหอาหารคือรสพจนธรรมมาได้ยินได้ฟังทำคำสอไปเจ้าศาสซึ่งระซึ่งจิตซึ่งใจยิ่งอึอนั่นเรียวลกของพระธรรมขณะที่เป็นวัตถวงรสที่เรารับประทานหรืพรสตจนหามโนโสังเกตะนะเอ๋ ถ้าจ้างอาหารเนี่ยที่บ้ามันนี่จะดีจะไปยิงางอาหารคืออาหารเสื่ออาหารดีแล้วรับประทานปกติธรร์ดาก็ดีเพราะอะไรถ้าอะไรซ่าถ้าอะไรกระปลากดปลายยิ้นีดเดียวหายวะรู้สาหามาราคาจะดีจะแพงถ้าอะไรจะตามเสรเอามาใส่แต่ปลายยั้งนี้เดียวหายไปน้อยสุจ้างานอาหารมจริงไม่จรินประโยชน์ ยิ่งจึงไม่จึงไม่เป็นของดีพิเศษเข้ามาโนสัเนเตะแต่อาหารที่ทำมากสำคัญอาหารนั้นเรารับประทานไว้เพื่อหล่อเลี้ยงกองตา่างถ้าพูดเข้าไปหรือละเอียดเข้าไปอาหารที่เราอารินะสอร่อยเนี่ยคือนานตายห น, น่อยยังไม่ใช่ปหาตายนะจะมานานตายห น, น่อยถ้าอาหารนั้นไม่มีรสชาติหมดจะตัดตาย เพียงแค่นั้นอาหารนะประโยชน์เงแค่นั้นส่วน้ำอาหารคือรสประเธรรมไม่ใช่เงาเลี้ยงเพื่อตายเพื่อจะไม่ตายหากเราตายแล้วนั่นอาหารคือรสประเสาบซึ่งเด็กกะติใจคะได้เกิดเป็นชาติใดจะไม่ได้ตกไปในกติกิเลสสามนี้ได้จะเจริญก้นาวหน้าค้นจากความแก่กับเกิดตาย คือแกจะตายในเันทนี่สหานั่นรถอันนั้นจึงไม่ของเลิศเริด ส, สูงม่มีรถอะไรหรอกจะทาให้คนอากกลัวตายนอกจากรถก็จะตดังนั้นยงว่ารถจะทำให้สองเริดสูดผ้ซ่งได้รกักรถคือปีตินี้มันต้องอาศัยการฝึกสนสมจิตใจทาสมาธิหัวน้ายเขา้าถึงควมสงบ ในความสงบมีแล้วน่นปีติจะเกิดขึ้นความอิ่มต่ในความสงบมันเกิดขึ้นเห็นชัดปีติจะมาใงว่าให้ของไม่มีใจมันได้ของนี้เป็นของมีค้ามหาศาลวัตถุภายนอกถ้าตาดกันแจ ก, กกันไรู่ปเรื่องนีง้จะมาแจ ก, กไม่เห็น คนได้แต่โอ้ยปวดหน้าเรือดไม่ตอาดอะไรก็แล้วแค่ีได้เพียงแค่นั้นะไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่ได้ความสมปรีตทราบถึงถึงเรื่องความดีความวามละเอียดทึกขึ้นไปนั้งหมดเป็นด้วยเจตแล้วเจตไปหมมติยังสั่นก็ทำแต่วายจังร้อยกว่ารุ่นมอดมันไม่เหร เครื่องถ้าทําให้หมดฤทธิ์ขอจะให้ผ่ากันรักออกไปใช้ได้ประโยชน์ทั้งชาติในสายงานแม่งของมีข้ามาให้จับให้อำมาเลี่ยงอัตราสร่างกายถ้าดูหมาเสีย ส่วนเรื่งองขอมอบฝังไว้ในดินเขื่ อ, อามาเลี้ยงอัจภาพต น, นเองเพราะว่าฝังในที่นี้เนะี่ยคือว่ า, ามันวิโค่กันเองวิโค่ก็ฝังในดีๆนะฝังในก้อนดินแผ่นดินนี้แหละนั่นเดียวกัมอบฝังไว้ในดินส่วนที่สองให้เอาไปใช้นี่เก่าคือแทนบุนคุณพ่อแม่ส่วนที่สามให้เอาไปเลี้ยงเอาไปใช้นี่ใหม่ คือลูกเจ้ามันมาขอทุกวันมันมาทวงนี้ทุกวันทุกวั น, ม, นมันไปโรงเรียนมันก็มาทวออ่วงเราหละมันไปใต้นี้ใหม่อันนี้ส่วนที่สามส่วนที่สี่ให้ไปทิ้งลงน้ำํำไปทำบุญแล้วทานน้ำเย็นไป <c oughs> ทำบนแล้วไม่มีใครท่วงขึ้นมาดอกเมันก็ทิ้งลงน้ํานี่ยจมอมลงไปหายเนี่ยนี่เดนคิดหรือคพี่เจ้าสอนให้มีศเลดีที่จะต้องแจกจาก ไม่ให้ใครบังคับจำเป็นเมื่อได้มันได้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นสุขถ้าหากแล้วไม่บริโภคแล้วก็เดือนรอนถ้าหากบริโภคอย่างเดียวมีประโยชน์อะไรวิชวาบริบัลพ่อแ ม, อเ ม, เแม่เรามีคุณแกเราแล้วไม่น้องคุณพ่อแม่ใครจะไปเลี้ยงก็เกิดมาก็ได้ไมาจากพ่อแม่นั่นต้นตัวของเราทุกคนไในเมืเ่อหนามาจากพ่อแม่ไม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงแม่ไม่ยึดบคุณของพ่อแม่มีประโยชน์อะไร สมบัติทั้งหลายได้มาไม่ใช้จ่ายนี้ประโยชน์อะไรต้องใช้ใช้เพื่อประโยชน์คนอื่นบางทเมื่อเราใช้ค็หนึ่นแตะใช้ด้ยชิดซีรีเพื่อแจกจ่ายคนอื่นนะไม่เทมีคนอื่นบังคับแล้วอยู่ด้วยกันมันต้องเฉลี่ยของมสุขแก่กันและกันมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้สอนคนไม่ได้ความไม่เทียมบังคับเอาอย่านัะบังคับให้เฉลี่ยเหมือนไม่เฉลี่ยกันแย่งๆกันนะมันไม่เป็นธรรมวิญยาตสอนเป็นธรรม มึงมาเสือดีมีความอย่างนี้หมดทั้งกรมก็เสือดีฟังแั้วหมดเลยจำทำนองเพลงนี้จ๊กเนี่ยเปิดเมืองลาวเลน้องปะจําเป็นน้องประจํซึ่งเว้าผมยังกบปลเอยกปเลยก็มาหายว่าเนี่เแหละมันกระเทือนกันหมดใะเรื่องจิตใจไม่ไหวใจมนุษย์กันแสดงว่าให้ฟังเนี่ยลิ่งเท่านั้นเลยจางหนีมาเมืองไทย มันรู้จักภาษีภาษาอะไรกันควายทำไมมันรู้จักเองบนไทยมันกระเทือนนะบ่จิตใจคนเรามันกระเทือนกันแใจว่าเราไม่รู้เคื่อเราในใจมันไม่ละเอียดมันไม่สงบมันไม่รู้ในภาวะของจิตของตนเองแต่ว่ามันกระเทือนรู้กันบ่ไม่อื่นไกลและเอาเถอะคนอาลีกันคนเป็นเวีนเป็นไปกันพราเห็นแล้วเนี่ยมาแทนพูดกันเนาะ มันก็เคลื่อนอยู่แล้วนิสคนที่นิสัยไม่สบกันนี่ไงเพราะเห็นท่านมาชั้นพูดกันเลยมันอยากพูดสักนิดเดียวถ้าคนชอบล่ากันนิสัยมันถูกตกกันแล้วนี่เขาเห็นนาจะชอบแต่อยากจะพูดแต่อย่าเข้าไปหาอยากจะไปใกล้ชิดนี่มันก็เคลื่อมันอยู่ภายในเนี่ยนักวิทยาศาสอนให้รู้จักทําความสงบแจงแล้วเมื่อมันสงบเมื่อมันใสสะอาดมันก็เขียนในของมันเอมันก็รู้เรื่องของมัน เรา ไ, รมมไม่สงเแีเ่ยงๆมีตะกี้เด็กุ้มเปื้ปอคุ้งพออยู่มันหนาทึกหมดดูเรื่รองยังไงมาที่ห้องน้ำเราจะมาที่ห้องมดดำลบมันตลอดปีอมดดำก็บมดดำทั้งทํา <c oughs> ทไมแม่เอาอะไรแย่งจริงสบัสดอะไรทั้งหมด <c oughs> คือชาวโลกนี่นะมันพากันลบฝันมนุษย์คนเรามันลบฝันกนันเยอะมันก็เทือนไปตลอดหมด จะลบกันให้ไก่อนนก่อนนโดูจีนส้องการดยจีนอาจจะมาจ้มภาษาที่ตะบอเย็นๆนึพไปขวดวัดริมวัดอ่ะลบค่าทำตายแดงล่าเลยโอ้โหทำมามเป็นยงงี้วะกํกำลังเริ่มสาคัญโดยจีนตลาดขายปลา อ, อุ้ยดิ่งจะไปการใหญ่ครับ ดรมการไหนเอ้ผมมานึกนึกอนี่เป็นเพราะเราปล่อยปลาบ่อยนี่ไไม่ชอบคนมีกระแสจิตอย่างที่นีกระแสว่ามันถึงกำหนดทั้งเขาจะมีไฟฟ้าจะพวกเราอะไนะในตัวของเขาจะมีไฟฟ้าของพวกเราอะไระมันดึงดูดกันในนั้นมันรู้อย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อ คุณธรามนั้นเป็นของดีเด็แต่หาพูดถึงเรื่องหนาประทานไปพูดถึงเรื่องคุณธรรมถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุกพูดถึงใจวาคุณน่าทในเรื่องนีงด้ดุความเยือกเย็นความเมตตาตานีพระพุทธเจอาจึงสอนว่าควรฟังคําสอนผู้ที่มีเมตตาคนที่มีเมตตาควรฟัง ทั้งสองภูมินี้ักผืคนมีเมตตามีปัจถนาวังดีพูดะดรมันมีาลเป็นพาชิดเป็นประโยชน์ด่างวิดามันดาสอนลกูกแม้จะมีโทษสามานาบเนบาสร้างมาเขาก็ยังมีกิเลสอยู่แต่น้ำใสใจปัจจนาดีต่อลกูกเจ้าใช้วาทะถอยทาไปกี่อย่างมันเหมาะสมนันก็เลยเป็นเนื่อและเท่ากันไปเลย ปรือเมตตามิปัจถนาบางทีพูดยากคายเพลงมีวันนี้ถ้าหากพวกนี้ไม่มิเมตตาปัจถนาที่จะเอาประโยชน์ส่วนตัวพูดอ่อนหวานยิ้มนอนเค่เทรลกรามเถิดจภายในมันมีโคตรงอยเนี่ยนะมีเรียนนอเดียวเนี้ยนะ่เป็นหลงพี่ยอมตายไดไไไ้คุณทำยังไเป็นของนาดหวังนาชื่อ